พระราหุลเป็นพุทธชินโนรถองค์เดียวของพระบรมศาสดาพระนางพิมพาหรือยโสธราเป็นพระมารดาเมื่อพระราหุลประสูติเพียงวันเดียวพระราชบิดาก็เสด็จออกมหาพิเนสกลมมุ่งพระโพธิญาณพระราหุลเจริญเติบโตขึ้นด้วยการถนอมเลี้ยงของพระมารดาและพระประยุรย่าตไมิได้เคยเห็นสมเด็จพระราชบิดาเลยจนกระทั่งพระชนมายุ็พันา เมื่อพระาศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสเสด็จมาโปรดพระญาติณนะกรุงกบิลพัทประทับอยู่ณอิโคทารามที่พระญาติสร้างถวายพร้อมด้วยพระสาวกอรหันมูใหญ่พระนางพิมพาหรือยโสธราพระราชมารดาของกุมาร น, น้อยราหุลตรัสกับพระราหุลว่าสมบัติทั้งปวงในนครกบิลพัทนี้เป็นของสมเด็จพระราชบิดา แต่พระองค์ทรงสละราชสมบัติออกผนวดขอให้ลูกไปขอสมบัติต่อพระราชบิดาพระราหุลไปเฝ้าพระทตถาคตเจ้าณ น, นิโคทารามทูลขอโลกียสมบัติพระทศพลทรงพิจารณาว่าโลกียสมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนเจือด้วยโทษให้ความสุขเล็กน้อยให้ทุกข์มากเราควรให้ธรรมสมบัติหรือโลกุตระสมบัติแก่ราหุลช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ทรงดาริชนีแล้วจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบรรพชาสัมมเนนแก่พระราหุลจัดเป็นสมมเนนรูปแรกในศาสนานี้เมื่อบรรพชาเป็นสัมมเนนแล้วก็มิได้มีทิฏฐิมานะว่าเราเป็นโอรสของพระาศาสดาผู้ทรงเป็นใหญ่ในหมู่สงแต่สัมมเนรราหุลกลับเป็นผู้อ่อนอน้อมถ่อมตนใกล้ต่อการศึกษาเคารพพระโอวาทของพระาศาสดาและคําตักเตือนสั่งสอนของพิสูจน์ทั้งหลาย ไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการรับโอวาทบางวันสามเณรจะกอบทายขึ้นเต็มกอบหรือกำทรายขึ้นเต็มกำแล้วปรารถนาว่าวันนี้ขอเราพึงได้รับโอวาทหรืออนุสาจากสำนักของพระทศพลเจ้าหรือจากสำนักของอุปชายยอาจารย์เท่าจำนวนเม็ดทายนี้เถิดท่านได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นผู้รักการศึกษา ใคร่ต่อการศึกษานอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ว่าง่ายไม่ถือตัวดังเรื่องต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพิสูจนอนร่วมกับอนุปสมบัทแล้วพิสูจทั้งหลายเกรงจะล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้ว จึงไม่กล้าให้อนุปปัสสมันนอนในห้องเดียวกันอีกเลยแม้แต่สมมเรนรราหุลพุทธชิโนโรสเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นที่สุดทั้งหลายกล่าวกับสัมมเนรราหุลว่าอวุโสราหุลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วบทนี้ท่านจงหาที่พักของท่านเองเถิดก่อนแต่การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงบัญญัติศิกขาบทนี้ที่สุดทั้งหลายได้สงเคราะห์สัมมเนรราหุลเป็นอย่างดี เพราะเคารพในพระพุทธองค์หนึ่งและเพราะสามเณรราหุนเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นผู้สอนง่ายวางรูปจะเตียงน้อยๆให้สามเณรราหุ น, นอนให้กีวรสำหรับหนุนศีรษะแต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้แล้วไม่มีภิกษุรูปใดให้สามเณรราหุนพักในที่พักของตนเลยเพราะกลัวจะล่วงศิกขาบทฝ่ายสามเณรราหุนเป็นผู้มีการศึกษาดีแล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัย มีความอดทนอย่างดีเยี่ยมท่านมิได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าเป็นพระบิดามิได้ไปยังสำนักของพระสารีบุตรด้วยคิดว่าเป็นอุปัชายะมิได้ไปยังสำนักของพระมหาโมคคลานะด้วยคิดว่าเป็นอาจารย์และมิได้ไปยังสำนักของพระอา น, นุนด้วยคิดว่าเป็นพระเจ้าอาของตนสามเณรราหุนเข้าไปพักที่วัจกุดี อันเป็นที่ถ่ายพระบางคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุดเข้าไปยังวิมานพรมมีได้นึกรังเกียรจแม้แต่น้อยตามปกติพระทวารพระวัจกุฏีของพระผู้มีพระภาคเจ้าปิสนิทยอยู่เสมอมีพื้นเรียบร้อยอบด้วยเครื่องหอมประดับด้วยพวงมาลาอันหอมตามพระที่ไว้ตลอดคืนสามเณรราหุนเข้าไปอาศัยอยู่ในพระวัจกุฏีนั้นเพราะเกรงใจพิสุทั้งหลาย ไม่กล้าไปขออาศัยพิสุรูปใดและเพราะสามเณรไคร่ต่อการศึกษาเคารพต่อโอวาทบางคราวพิสุต้องการจะทดลองท่านพอเห็นท่านเดินมาก็เอาไม้กวาดบ้างอยากเยื่อบ้างทิ้งออกไปข้างนอกเมื่อสามเณรราหุนเดินมาถึงพิสุเหล่านั้นพูดกันว่าอาวุโสที่ใครทิ้งไม้กวาดและอยากเยื่อไว้พิสุพวกนั้นพากันพูดว่าท่านราหุนเดินมาทางนี้ สัมมเนีนราหุลทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ปริปากพูดเลยว่าข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องนี้รีบเก็บไม้กวาดและหยาบเยื่อแล้วไปให้พิสุทั้งหลายอดโทษว่าขอท่านทั้งหลายจงอดโทษให้ข้าพเจ้าดิเถิดสมมเนีนราหุลใคร่ต่อการศึกษาและเคารพต่อโอวา่าถึงป่านนี้ก่อนอรุณรุ่งวันนั้นพระบ ร, รมศาสดาสเสด็จมาประทับยืนหน้าพระทวารพระวัจกุฎีทรงกระแอมขึ้น สามเณรราหุนก็กระแอมรับพระศาสดาตรัสถามว่าใครนั่นข้าพระพุทธเจ้าราหุนพระเจ้าข้าราหุนทําไมมานอนอยู่นี่ไม่มีที่อื่นพักพระเจ้าข้าสามเณรราหุนทูลตอบเมื่อก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้แต่เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติศิกขาบทแล้วพิสูุนทั้งหลายกลัวต้องอาบัติจึงไม่กล้าอนุญาตให้ข้าพระองค์ นอนในที่อยู่ของตนของตนที่นี้ก็ไม่เป็นที่ขับแคบและไม่เบียเสียดกับใครพระเจ้าข้าพระทศพลทรงสดับดังนั้นทรงเกิดความสังเวชว่าพิสุทั้งหลายทิ้งราหุนได้ถึงเพียงนี้เมื่อให้กุลบุตรทั้งหลายอื่นบวชจะทอดทิ้งเขาสักเพียงใดไม่ควรเลยพระตถาคตเจ้ารับสั่งให้พิสุทั้งหลายประชุมกันแต่เช้าตรัสถามพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่า สารีบุตรท่านทราบหรือไม่ว่าสมมเนีนราหุนสัต์ที่วิหาริ ข, ของท่านนอนที่ไหนเมื่อคือนนี้ไม่ทราบพระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลสารีบุตรเมื่อคือนนี้ราหุ น, นอนในพระจกุดีของเรารู้ก่อนสารีบุตรเมื่อพวกเธอทอดทิ้งราหุนได้อย่างนี้เมื่อให้กุลบุตรลาอื่นบวชจะทําอย่างไรกันคนที่บวชในศาสนาก็ไม่มีที่พึ่ง อาศัยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพิสุทั้งหลายจงให้อนุปสมบัตนอในสำนักของตนวันหนึ่งหรือสองวันในวันที่สามจึงให้หาที่อยู่เองภายนอกดังนี้เย็นวันนั้นพิสุทั้งหลายสนทนานในธรรมสภาสรรเสริญคุณของสมเนรราหุนว่าสามเนรราหุนเป็นผู้ใครต่อการศึกษา เมื่อพิสุ์ทั้งหลายไม่ยอมให้นอนในสำนักของตนจะโต้เถียงคัดค้านสักคำเดียวก็มิได้ว่าเราเป็นโอรสของพระโทศพลท่านเป็นใครท่านนั่นแหละจงออกไปให้พ้นจากใสนาสนานี้แต่ไปอาศัยอยู่ในภาวจ ก, กุดีของพระผู้มีพระภาคสมเนียนราหุลมีคุณหน้าอาัศจรรย์ พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาส่งทราบเรื่องที่พิสูจน์ทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าสัมมเณรราหุนเคยเป็นผู้ว่าง่ายใคร่ต่อการศึกษามานานแล้วแม้สมัยที่เป็นลูกเนื้อก็เป็นผู้ว่าง่ายใคร่ต่อการศึกษาอย่างนี้ได้ปลอดภัยจากบ่วงในพรานแล้วเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายขอร้องให้ทรงเล่าเรื่องนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าในอดีตการ พระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดเนื้อมีหมู่เนื้อเป็นบริวารเป็นอันมากอาศัยอยู่ในป่าครั้งนั้นนางเนื้อน้องสาวของพระโพธิสัตว์ได้พาลูกน้อยมาฝากให้เรียนมรุคมายากับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นลุงลูกเนื้อตั้งใจเรียนอย่างดีมาเรียนไม่เคยขาดและมาตามเวลาที่พระโพธิสัตว์สั่งศึกษามฤุคมายาจนสำเร็จวันหนึ่งลูกเนื้อปิติดวงในพราน จึงร้องขึ้นมูเนื้อพากันวิ่งไปบอกมารดาของลูกเนื้อแม่เนื้อจึงรีบไปหาพระโพธิศัตว์ผู้เป็นพี่ชายแล้วถามว่าท่านให้หลานชายของท่านเรียนมฤคมายาแล้วหรือผู้เป็นลุงของลูกเนื้อตอบว่าลูกของเธอเรียนมฤคมายาดีแล้วอย่าวิตกเลยอีกสักครู่หลานชายของฉันจะสลัดบวงหนีมาจนได้ดังนี้แล้วกล่าวว่าฉันให้เนื้อหลานชายผู้มีเท้าแปดกีบ นอนสามท่าดื่มน้ำเฉพาะเวลาเที่ยงคืนมีมายาเป็นอเนกหลานชายของฉันเป็นสัตว์ฉลาดรู้จักอดกลั้นลมอาสาสะประษาสะในช่องนาศิกเบื้องบนนอนแนบชิดอยู่กับพื้นดินนำมาลวงในพรานด้วยอุบายหกอย่างลูกเนื้อที่ติดบ่วงอยู่นั้นที่ได้ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหยียดเท้านอนตะแคงติดพื้นดินเอาเท้าถีบ ด, ดินให้กระจายไปคุยฝุ่น และยาให้หลุดถอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอนหัวตกแลบลิน้นน้ำลายไหลตะเบงลมให้ท้องผองทำตาทั้งสองให้ช้อนขึ้นค้างอยู่ระบายลมหายใจเข้าออกทางช่องนาสิกเบื้องล่างอัดลมทางช่องนาสิก์เบื้องบนทำตัวให้แข็งแสดงอาการว่าตายแล้วมแมลงวันพากันมาตอมฝูงกาพากันมาจับกลุ่มอยู่ใกล้ นายพรานมาเห็นแล้วเอามือตบท้องลูกเนื้อพลางคิดว่าเนื้อตัวนี้คงติดบ่วงแล้วตั้งแต่เช้าบัดนี้ขึ้นผองแล้วเขาแก้เชือกบ่วงออกตั้งใจจะแล่ตรงนั้นจึงไปเที่ยวหาใบไม้กิ่งไม้มารองลูกเนื้อได้ถีลุกขึ้นยืนสลัดกายเหยียดออกวิ่งไปหามารดาโดยเร็วทำความชื่นชมสมนัทให้แก่มารดาลุงและเนื้ออื่นๆเป็นอันมาก การตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามโอวาทของผู้ใหญ่ทำตนให้ปลอดภัยอย่างนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหาร นครราชครึ่งสมัยนั้นพระราหุลอยู่ที่ประสาทชื่ออัมพลติกาเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปยังพระสาทที่พระราหุลอยู่พระราหุลได้เห็นพระสถาคตเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงรีบปูอาสนะและตั้งน้ำสําหรับล้ามพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะแล้วทรงล้ามพระบาทพระราหุลถวายบังคมพระพุทธองค์แล้ว นั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเหลือน้ําล้างพระบาทไว้ในภาชนะหน่อยหนึ่งแล้วตรัสถามพระราหุลว่าเห็นน้ําหน่อยหนึ่งเหลืออยู่ในภาชนะหรือไม่เห็นพระเจ้าข่าพระราหุลทูลรับดูก่อนราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล่าวมุสาวา่าทั้งทั้งที่รู้อยู่ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมของสมณะน้อยเหมือนน้ําที่เหลืออยู่น้อยนี้ พระผู้มีพระภาคทรงเทน้ําที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนั้นเสียแล้วตรัสถามพระราหุลอีกว่าเห็นน้ําหน่อยหนึ่งที่เราเทเสียแล้วหรือไม่เมื่อพระราหุลถูลรับว่าเห็นจึงตรัสว่าคุณความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้นั้นเป็นสิ่งที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงคว่ำภาชนะน้ํานั้นเสีย ลางตรัสถามพระราหุลว่าเห็นภาชนะน้ําที่คว่ำนี้หรือไม่เมื่อพระราหุลทูลรับว่าเห็นแล้วจึงตรัสว่าคุณความเป็นสมณะของผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็ชื่อว่าเป็นของที่เขาคว่ำเสียแล้วเหมือนกันพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ํานั้นขึ้นแล้วตรัสถามพระราหุลว่าเห็นภาชนะน้ําอันว่างเปล่านี้หรือไม่ เห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็เป็นผู้ว่างเปล่าจากคุณความเป็นสมณะเหมือนกันดูกรราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาวาททั้งที่รู้อยู่จะไม่ทําบาป ก, กรรมอย่างอื่นด้วยนั้นเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นแหละราหุลเธอพึงสำเนียกศึกษาว่า เราจักไม่กล่าวมุสาทั้งทั้งที่รู้แม้เพราะต้องการจะหัวเราะกันเล่นดูก่อนราหุลเธอคิดว่ากระจกมีไว้เพื่ออะไรพระราหุลตอบว่าเพื่อส่องดูดูก่อนราหุลทํานองเดียวกันนี้แหละบุคคลพึงพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทําทางกายทางวาจาหรือทางใจเมื่อปรารถนาจะทําสิ่งใดพึงพิจารณาเสียก่อนว่ากายกรรม พฤต NO ิกรรมหรือมโนกรรมนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างท่องแท้แล้วว่าเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นวิบากก็ไม่พึงทํากรรมนั้นแต่กรรมใดที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นกุศลไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นมีสุขเป็นกําไร และเป็นวิบากพึงทำกรรมนั้นถ้าพลังพลาดกระทำกรรมที่มีทุกเป็นวิบากลงไปก็พึงแสดงเปิดเผยต่อพระศาสดาหรือต่อเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนและพึงสำรวมระวังต่อไปแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรรมที่ทำไปแล้วนั้นเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรเป็นวิบากก็พึงมีปิติปราโมท ศึกษาปฏิบัติอยู่ในกุศลธรรมนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนดูก่อนราหุลสมณพราหมณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ได้ชำระกายกรรมวจีกรรมและโมโนโกรรมให้บริสุทธิ์อยู่ได้ก็เพราะพิจารณาเนืองๆ อ, อย่างนี้นั่นเองพระราหุลชื่นชมยินดีต่อพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคยิ่งนัก อีกคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันวิหารตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณธบาีในนครสาวัตถีพี่พระราหุลตามเสด็จครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระพักไปรับสั่งกับพระราหุลว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่มีแล้วในอดีต ท, ทั้งที่จะเป็นในอนาคตและมีอยู่ในปัจจุบันทั้งภายในภายนอกทั้งหยาบและละเอียดทั้งปวง เธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระราหุลทูลถามว่ารูปเท่านั้นหรือพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลรวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยครั้งนั้นพระราหุลคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทเช่นนี้แล้วใครเล่าจะเข้าไปบินทบาตในบ้านได้ ดังนี้แล้วกลับจากที่นั้นนั่งคุ่บาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าณนะโคนไม้แห่งหนึ่งพระสาริบุตรได้มาเห็นพระราหุนนั่งอยู่ณโคนไม้จึงบอกแนวทางว่าดูก่อนราหุนท่านจงเจริญ er อานาปานสติเถิดอานาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเวลาเย็น พระราหุลออกจากที่เรนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญอนาปนสติอันบุคคลเจริญให้มากแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสงมากดูกรราหุลท่าสี่คือดินน้ําไฟลมเธอพิเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อบุคคลเห็นท่าสีด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายติดย่อมคลายกำหนัดท่าบินมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไยึดไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น ธาตุน้ำมีลักษณะเอิบอาบมีดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อเป็นต้นธาตุไฟมีลักษณะร้อนเช่นไฟที่ทำกายให้อบอุ่นทำกายให้ซุดโสมทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยเป็นต้นธาตุลมมีลักษณะพัดไปมาเช่นลมในท้องลมในไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมพัดไปมาทั่วกายลมหายใจอันหนึ่ง อากาศาธาตุก็มีอยู่กล่าวคือช่องว่างต่างๆในร่างกายเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องคอเป็นอากาศมีลักษณะว่างไม่ทึกอันเลือดและเนื้อไม่ถูกต้องดูกรราหุนรูปประกอบด้วยาธาตุห้านี้เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกน ร, ราหุน เธอจงจเจริญภาวนาอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินให้เป็นเช่นแผ่นดินให้เสมอด้วยน้ำให้เป็นเช่นน้ำให้เสมอด้วยไฟลมและอากาศเถิดเพื่อเป็นเช่นนี้เมื่อกระทบอะไรเข้าความยินดีหรือยินร้ายก็ไม่อาจเข้าครอบนำจิตได้ดูก่อนราหุนเธอจงจเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อจเจริญเมตตาภาวนาอยู่จะละพยาบาทได้ ธอจงเจริญกรุณาภาวนาเพื่อละวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนจงเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอรติคือความไม่ยินดีด้วยจงเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆะคือความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งภายในจงเจริญอสุภภภาวนาเพื่อละราคะจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเพื่อละอสมิมาณะคือความถือตัวถือตนความทะนงตน ดูก่อนราหุนเธอจงเจริญอานาปนานสติภาวนาเถิดเพราะอานาปนานสติที่บุคคลเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอานาปนานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากดูก่อนราหุนที่สุในธรรมวิไยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก็ดี นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสัพปปชัญญะรู้ชัดว่าหายใจออกเข้ายาวหรือสั้นดูก่อนราหุลอนาปนาสติที่บุคคลเจริญให้มากอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วพระราหุลมีใจชื่นชมต่อพุทธภาษิตเป็นอันมาก ดูกนตราดาพระาพราหุนเถระนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาดังเรื่องซึ่งจะนำมาเล่าต่อไปนี้ในอดีตการสมัยแห่งพระบรมศาสด า, าจารย์พระนามว่าปทุมบุตระท่านพระราหุนและพระรัฐบาลเกิดในตระกูลขหบดีมหาศาลมีสมบัติมากในนครหงสาวดีเมื่ออยู่ในวัยหนุ่ม มีจิตน้อมไปในการที่จะทําความดีมีการให้ทานเป็นต้นจึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาทรัพย์สมบัติของตนถแถลงบัญชีทรัพย์สินว่ามีอะไรอยู่เท่าใดเมื่อทราบตามบัญชีแล้วได้สํารวจดูทรัพย์สินตัวจริงเห็นว่ามีมากมายเหลือเกินจึงดําริด้วยความดําริอันชอบว่าชนทั้งหลายมีปู่ย่าตายายและมารดาบิดาของเราเป็นต้นได้สะสมทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ แต่ท่านเหล่านั้นก็หาได้นําทรัพย์แม่น้อยหนึ่งไปสู่ปรโลกได้ไหมท่านล้วนไปตัวเปล่าทั้งสิน้นเวลานี้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ตกมาถึงเราอีกหน่อยเราก็ตายไปทิ้งทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ให้คนอื่นอีกทําอย่างไรหนอเราจึงจะนําทรัพย์ที่ติดตามตนไปไม่ได้ให้เป็นทรัพย์ที่ติดตามไปได้บัณฑิตทั้งสองนั้นพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าการให้ทานเป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่น ผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมได้รับสุขเป็นเครื่องตอบแทนจึงตั้งโลงทานบริจาคทานในบัณฑิตทั้งสองนั้นผู้หนึ่งจะถามยาจกวณิภกผู้มาขอว่าต้องการสิ่งใดเมื่อยาจกวณิภกบอกวัตถุที่ตนต้องการแล้วจึงให้บัณฑิตผู้นี้มีนามว่าอาคตะปวกะส่วนบัณฑิตอีกท่านหนึ่งนี้ได้ถามอย่างนั้นแต่ยาจกวณิภกถือภาชนะใดๆมา ก็จะให้ของจนเต็มภาชนะนั้นบัณฑิตผู้นี้มีนามว่าอ克拉ะปาวกะเช้าวันหนึ่งสองสหายนั้นชวนกันไปอาบน้ํานอกบ้านขณะนั้นมีดาบบทผู้มีฤทธิ์มากสองท่านเผาะมาจากพิมวันตประเทศเพื่อพิขาจารย์เผาะมาลงณบริเวณใกล้ที่สหายทั้งสองยืนอยู่ท่านทั้งสองเตรียมดาบทบทปริขารมีเปลือกน้ําเต้าเป็นต้นเพื่อเข้าไปในละแวก บ, บ้าน สหายทั้งสองเห็นท่านแล้วเข้าไปในมัสการรับภาชนะเปลือกน้ำเต้าจากดาบทแล้วนำท่านทั้งสองไปสู่เรือนของตนของตนถวายขาธนียะโพชนียาหารอันประณีตแล้วขอร้องให้ดาบททั้งสองรับปฏิญญาว่าจะมารับภิกษาหารเป็นประจำณนะเรือนของตนในดาบททั้งสองนั้นดาบทตนหนึ่งมีปกติไปพักกลางวันที่นาคพิพภพ โดยการแหวกน้ำในมหาสมุทรลงไปด้วยอนุภาพของตนเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนก็มักกล่าวอนุโมทนาว่าขอให้พบอันเป็นที่อยู่แห่งท่านจงเป็นดังพบแห่งพระยาปทวินทระนาคราเทิดดังนี้ทุกครั้งไป วันหนึ่งขะหบดีจึงเรียนถามดาบทว่าเพราะเหตุใดเมื่อลูกโมทนาท่านจึงกล่าวเสมอว่าขอให้พิภพที่อยู่ของข้าพเจ้าเป็นดังพิภพของพระยาปัทวินทระนาคราชดาบทตอบว่าอตมาภาพหมายความว่าขอให้สมบัติของท่านจงเป็นเช่นสมบัติของพระยาปัทวินทระนาคราชจําเดิมแต่นั้นมาขะหบดีผู้นั้นก็มีจิตผูกพันอยู่กับพิภพแห่ง น, นาค ปราถนาใคร่ได้บังเกิดในพิภพแห่งนาคนั้นฝ่ายดาบทีกท่านมีปกติไปพักกลางวันณนะดาวดึงพิพพสำรานเอริยาบทณนะเสรีส ก, กวิมานอันว่างเปล่าจากเท พ, พบุตรและเทพทิดาดาบทนั้นได้เห็นทิพยสมบัติของเท้าส ก, กะจอมเทพแห่งดาวดึงแล้วเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนจึงกล่าวว่า ขอพบที่อยู่ของท่านจงเป็นประหนึ่งวิมานแห่งเท้าสักการินเทวราชเถิดดังนี้หนึ่งเนืองก้าบดีจึงเรียนถามดาบทว่าท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่ากะไรดาบทิ้งเล่าให้ฟังว่าณนะดาวดึงพิภพนั้นมีทิพยสมบัติอันน่ารื่นรมข้าบดีจึงมีจิตผูกพันอยู่กับพิภพดาวดึงนั้นทําบุญกุศลตลอดชีวิตเมื่อสหายทั้งสองสิ้นชีพก็ไปบังเกิดในพิภพอันตนตั้งจิตไว้ คืออาคตะปาวกะไปเกิดในนาคพิภพเป็นพรยาปทวินทระนาคราชส่วนอ克拉ปาวกะไปเกิดในภ พ, พดาวดึงเป็นเท้าสกะจอมเทพนาคราชมองดูอัตภาพของตนแล้วให้บังเกิดความร้อนใจเป็นหนักหนาว่าดาบทผู้ที่เราเชื่อถือได้พันานาคุณแห่งสมบัติในนาค พ, พ, พิภพแต่อัตภาพอย่างนี้ไม่ได้เป็นที่จเจริญใจของเราเลยเป็นอัตภาพของสัต ผู้กระเสือกกระสนไปด้วยอกยิ่งทิพย์อย่างนี้ก็ยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งนักขณะนั้นนางหน้ากัญญาทั้งหลายมีกายอันประดับด้วยศัพทิพยาลาังการพิภูสิตาพรต่างๆถือเครื่องทิพย์ยดดนตรีมดีสีตีเป่าขับกล่อมบำเรอพระยาปัทวินทรนาคราชนั้นพระยานาคราชผู้มีฤทธิ์จึงละอัตภาพแห่งนาคแล้วเนืรมิกายกลายเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยในขณะนั้น ธรรมเนียมมีอยู่ว่าทุกๆ ก, กึ่งเดือนท้าวมหาราชทั้งสี่จะพากันไปเฝ้าท้าวส ก, กัปเทวราชณดาวดึงพิภพพระยาปทวมินทรานาคราชหนึ่งในท้าวมหาราชทั้งสี่จึงต้องขึ้นเฝ้าด้วยไปกับพญานาคราชคือท้าวเบีรูปักผู้เป็นใหญ่ในหมู่พวกนาคทั้งหลายท้าวส ก, กะทอดพระเนรเห็นพระยาปทุมินทรานาคราชแต่ไกลก็จำได้ถนัดเพราะคุ้นเคยกันมานาน เมื่อได้ทักทายปราศัยและถามถึงที่ที่ไปถือกำเนิดในพบใหม่และพญาปทวินทระนาคราชเล่าถวายด้วยอาการน้อยพระทัยยิ่งนักแล้วเท้าสั ก, กะจึงตรัสว่าท่านอย่าได้วิตกในเรื่องที่ไปถือกำเนิดเป็นนาคราชนักเลยเพราะบัดนี้สมเด็จพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระได้สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วท่านจงหมั่นบำเพ็ญบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แล้วปรารถนาการเกิดในที่นี้เถิดเราทั้งสองจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันพระยาปัทวินทรนาคราชทูลรับคำของเท้าสกิงเทวราชแล้วกลับมายังชมพูพิพกได้ทูลราชนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพิสุสงเพื่อเสวยนับพิภพของตน ในวันรุ่งขึ้นพระปทุมุตระทศพลรับสั่งกับพระสุมณมเถระผู้เป็นพุทธอุปถาของพระองค์ว่าบัดนี้จะไปบินทบาตณที่ไกลทิสุขุชนอย่าได้ตามเสด็จให้ตามไปได้เฉพาะพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมพิธาและอภิญยาสมาบัติเท่านั้นเมื่อได้เวลาอันควรสเด็จพระปทุมุตระสั ม, มาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตพุทธบริวารก็เหาะขึ้นสู่เวหา พระยาปฐวินทระนาคราชและนาคบริษัทก็พากันมาต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงท่ากลางมหาสมุทรแล้วเสด็จพระดำเนินไปบนกระแสสิลพร้อมด้วยพิสุสง์พุทธบริวารพระยาปฐวินทระนาคราชทอดทัศนการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปถึงอุปเลวะตะสามเณรผู้เป็นพุทธชิโนรสแล้วเกิดปรีดาปราโมดนิ่งนักดํารฤทิ์ว่า อันพระพิสุสง์สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เห็นปานนี้ยังไม่อัศจรรย์เท่าสัมมณีอุปะเรวตต์ซึ่งเป็นทารกน้อยเมื่อพระพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งบนอาสนะของตนของตนในพิภพนาเรียบร้อยแล้วสมมณนอุปรเรวตต์ได้ที่นั่งณเบื้องพระพักแห่งพระบรมศาสดาฝ่ายพระยาปทวินทรานาคราชเมื่อถวายอาหารก็เหลียวดูพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งและสามมณนอีกครั้งหนึ่งเสมอไป ทั้งนี้เพราะลักษณะแห่งสัมเณีละหมายคล้ายคลึงกับพระลักษณะของพระบรมศาสดาดูรุ่งเรืองสดใสพญานาคราชจึงถามพิสุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ว่าสัมมณีรูปนี้เป็นอะไรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพิสุรูปนั้นถวายพระพรว่าเป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญานาคราชจึงดํารฤทิ์ว่าสัมมณีนี้โชคดีเป็นล้นพ้น ที่ได้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าทำเชนไหนเนาในอนาคตเราพึงได้เป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้ริฉนี้แล้วจึงถวายมหาทานแด่พระาศาสดาและพิสุทธิ์ตลอดเจดวันแล้วตั้งปณิธานเฉพาะพระพักของพระบรมาสาวสถานว่าด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมที่ข้าพระองค์ทําแล้วนี้ขอจงอํานวยผลให้ข้าพระองค์ ได้บังเกิดเป็นพระพุทธิชิโนรสแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเช่นเดียวกับอุปรเรวตสสามเณร น, นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรว่าจะได้เป็นพุทธโอรสแห่งพระส ม, มณะโคโดมบรมศาสดาในอนาคตพอถึงกึ่งเดือนพระยาปทวินทรนานาคราชก็ขึ้นไปเฝ้าเท้าสกะเท้า ส, ก, ก, ะาส ก, กะตรัสถามว่า สหายได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อมาเกิดในเทวโลกนี้แล้วหรือพระยานาคราชทูลว่าไม่ปรารถนาแล้วเท้าสกะถามว่าสหายเห็นโทษอะไรในเทวโลกหรือจึงไม่ปรารถนาพระยาปถุนทระนาคราชได้เล่าเรื่องความปรารถนาของตนให้เท้าสักกะทรงทราบและเพิ่มเติมว่าขอพระองค์ทรงตั้งความปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งเถิดเพื่อเราทั้งสองจะไม่พลากจากกัน จกได้มีความสุขความสำเร็จร่วมกันเท้าสักพะทรงเห็นชอบด้วยกับคำชักชวนของพระยาปทวินทร์นาคราชทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้มีฤทธิ์มากและออกบวช ด, ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาของปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาเจดวันแล้วทรงตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทั้งออกบวช ด, ด้วยศรัทธาพระาศาสดาทรงทยากรว่าความปรารถนาของเท้าส ก, กะเทวราชจากสำเร็จในาศาสนาของพระสัมมาโคดมเโรมาศาสดาท่านทั้งสองเมื่อสิ้นชีพแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นเวลานา น, านเป็นกับๆต่อมาในพุทธทุกบาตกานี้คือในาศาสนาแห่งพระมหาสัมมาโคดมพระยาปทวินทะนาคราช มาเกิดเป็นพระราหุลพุทธชิโนรสส่วนเท้าสัตรินเทวราชมาเกิดเป็นพระรัฐบาลท่านทั้งสองได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานดังพันานามาชนนี้